พระเจ้าประเสนทิได้กราบทูลถามเรื่องสี่เรื่องคือ 1. เรื่องความเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงหรือสัพพัญยุตตา 2. เรื่องวรรณะสีสาเรื่องอทิเทพ 4. เรื่องอธิพรมซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสตอบและพระเจ้าประเสนทิโกรศนก็ได้ทรงแสดงความพอพระทัยชื่นชม